สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบ่ยบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคาของท่านศาสนาจารย์ฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยธินนะครับกฎข้อที่5กฎแห่งเสรีภาพที่แท้จริงพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราเข้าสู่หลักการข้อแรกของเสรีภาพที่แท้จริงนั่นก็คือความรัก หากปัสแจกความรักเสรีภาพที่มีอยู่นั้นก็ไม่ใช่เสรีภาพที่แท้จริงผู้ที่กล้าใช้ความรักไปรับใช้ไปรักคนอื่นคนนั้นเป็นคนที่กล้าหาญที่จะมีเสรีภาพที่แท้จริงของตัวเองแล้วเมื่อวานนี้ก็จบลงด้วยหลักการจริยธรรมตามสถานการณ์นะครับก็คือความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ถูกต้องตรงนี้ได้ถูกใส่โดยมารซาตานครับ บอกว่าขอให้รักเท่านั้นแหละเมื่อรักนั้นทําอะไรก็ได้พี่น้องครับเมื่อเรารักกันนั้นเสรีภาพแห่งความรักที่เราจะรักคนอื่นมีขอบเขตครับเราจะใช้เรื่องของความใครในทางเพศไม่ได้หรือใช้ในเสี่งต่างที่เกินขอบเขตขอบเขตก็คือกฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้พี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้เราจะเข้าสู่หลักการข้อที่2ของเสรีภาพที่แท้จริง เสรีภาพที่แท้ น, นองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าสัจจะจะทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับสัจจะจะทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อสาพี่น้องครับสัจจะนั้นเป็นวงโครจรของเสรีภาพเป็นรางโครจรเป็นทางเดินแห่งเสรีภาพถ้าไม่มีสัจจะเราก็ไม่มีทางที่จะเดินครับพี่น้องครับคำว่ารางโครจร หรือคําว่าทางเดินนั้นก็แปลว่าเตา๋านั่นเองเต่านั้นภาษาจีนนั่นบอกว่าคือเตา๋านั่นคือวาทะสัจะคําสอนและที่สําคัญที่สุดว่าแปลว่าทางครับปะเต๋านี่แปลว่าทางหรือแปลว่ามักหรือมันค้านั่นเองพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าสัจจะเป็นรางโครจรหรือเป็นทางโครจรแห่งเสรีภาพ ถ้าไม่มีสัจจะก็จะเป็นเสรีภาพที่ชนกันชนกันไหนครับชนกันซ้ายขวาบนล่างชนกันเสรีภาพแบบนี้ถือว่าเป็นอุกบาทครับอุกบาทของจิตใจอุดอุกบาททางด้านจิตใจหรืออาจจะเรียกว่าอุดอุกบาทฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเหมือนกับพระคำของพระเจ้าที่เขียนไว้ว่าเขาจะเป็นดาวที่พลัดออกไปนอกวงโคจร เป็นผู้ที่ตกอยู่ในความมืดทึบตลอดการนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยูดาข้อ13าดาวที่หลุดจากวงโครจรก็เป็นอุกบาทเป็นการสูญเสียเสรีภาพไปตลอดการดาวที่หลุดจากวงโครจรนั้นก็เปรียบเสมือนกับคนที่บอกว่าตัวเองมีเสรีภาพแต่ไม่มีสัจจะนำทางครับพี่นะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเสรีภาพที่แท้จริงนั้นจะยอมอยู่ใต้การ ผูกพันกับสัจธรรมยอมอยู่ใต้การผูกมัดของสัจธรรมนั่นคือจะต้องมีความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้นมาเป็นเครื่องชี้ทางครับการที่เราจะมีเสรีภาพที่แท้จริงนั้นก็คือเราจะเป็นไทยเราจะเป็นไทยโดยสัจจะครับสัจจะปลดปล่อยเราให้เราเข้าสู่ความจริงและความจริงที่ยิ่งใหญ่นั้นเป็นความจริงที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงที่เปิด เราออกมาเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรพี่น้องครับคำว่าเป็นไทยหรือเสรีภาพนั้นกับคำว่าผูกมัดผูกพันกันดูเหมือนจะอยู่ตรงกันข้ามกันครับดูเหมือนว่ามันจะมีความขัดแย้งกันระหว่างสองคำนี้แต่พี่น้องครับภายใต้ความขัดแย้งนี้มีความจริงของเสรีภาพแอบซ่อนอยู่ครับการปฏิเสธข้อผูกมัดของสัจธรรมเท่ากับ การปฏิเสธเสรีภาพที่แท้จริงพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งการปฏิเสธข้อผูกมัดของสัจธรรมหรือการปฏิเสธความผูกพันของเรากับสัจธรรมก็เท่ากับการปฏิเสธเสรีภาพที่เรามีอยู่พี่น้องครับไม่มีเสรีภาพที่แท้จริงใดหากอยู่นอกสัจธรรมหรือสัจจะมันก็เหมือนกับรถไฟฟ้ามันวิ่งออกจากรางรถไฟฟ้า คันนั้นหรือขบวนนั้นก็ไม่มีเฉลภาพที่จะไปถึงไม่มีอิสระที่จะไปถึงเป้าหมายได้นั่นคือชีวิตของพวกเราครับพี่น้องครับพัลลักษณะของพระเยซูนั้นก็คือพระองค์ชอบธรรมพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ทรงไว้ซึ่งความรักและความสัตว์จริงพระองค์ถูกพรลลักษณะของพระองค์จากัดมากพี่น้องครับ เมื่อเราเห็นข้อความนี้เราอ่านข้อความนี้หรือเราได้ยินข้อความนี้คำว่าพระองค์ถูกพละลักษณะของพระองค์จำกัดมากนั้นมีมีความหมายว่าอย่างไรครับคำตอบอยู่ใน 2, 2, พระธรรมสองทิโมธีบทที่สองข้อสิบามพอจนะเขียนไว้บอกว่าพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสั์จริงเพราะพระองค์ไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสั์จริงเพราะพระองค์ไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้ พี่น้องครับพระเยซูจะต้องเป็นพระเจ้าพระเยซูไม่เป็นพระเจ้าไม่ได้พระเยซูต้องทรงไว้ซึ่งความสัตด์จริงต้องทรงไว้ในความชอบธรรมบริสุทธิ์ความรักพระองค์ถูกลักษณะของพระองค์จำกัดใช่ไหมครับพี่น้องครับในแง่นี้ผมอยากจะให้เราเข้าใจว่าเราเองนั้นเราก็ถูกดีไซน์และถูกออกแบบจากพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากจะหนุในใจครับว่า เราเองนั้นก็อยู่ในกรอบที่พระเจ้ามอบให้กับเราและภายใต้กรอบนี้เองจะเป็นกรอบแห่งอิสระสรภาพที่แท้จริงครับกับกลายเป็นว่านอกกรอบกลายเป็นเรื่องตกขอบไปนอกกรอบกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีสัจจะคอยคุมคอยดูแลอยู่จึงไม่ใช่เป็นอิสระภาพที่แท้จริงเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างภายใต้อิสระภาพที่แท้จริงที่อยู่ในกรอบ อิสรภาพจอมปลอมที่อยู่นอกกรอบนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อคิดในเช้าวันนี้พี่น้องครับชีวิตของเรานั้นเราไม่ได้อยู่ในหลักการที่ว่าเมื่อเรารักเราก็มีเสรีในการทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ครับแต่ว่าเราจะต้องอยู่ภายใต้สัจจะสัจจะจะทาให้ทนทั้งหลายเป็นไทยสัจจะจะทำให้ททั้งหลายเป็นไทยพี่น้องครับ คำว่าสัจจะนั้นหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าความจริงความจริงจะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยความจริงพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์จะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยพระองค์ปลดปล่อยเราออกจากการผูกมัดของอํานาจมืดวิญญาณชั่วความผิดความบาปทั้งหลายพี่น้องครับพระองค์ประทานเสรีภาพให้กับเราเสรีภาพนี้เป็นเสรีภาพที่อยู่ในขอบเขตและเราจะเป็นไทย เพราะว่าเดิมทีนั้นก่อนที่เราจะรับเชื่อพระเจ้าก่อนที่เราจะเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่มีอิสระในการเลือกทำดีแต่ตอนนี้เราเป็นไทยแล้วเราสามารถที่จะเลือกทำสิ่งที่ดีด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราอยู่ในความดีนั้นและสัจจะนั้นเป็นเหมือนรางรถไฟที่ให้เราโคจรไปหรือเป็นทางเดินเป็นมันคา ที่เราทั้งหลายจะเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีอิสระเสรีพี่น้องครับนั่นคือความหมายคําว่าสัจจะจะทําให้ท่าทั้งหลายเป็นไทยเป็นหลักการข้อที่2ครับของหนังสือ20กฎทองคําพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะไปถึงหลักการข้อที่3เล็กน้อยนะครับและถ้าเกินเวลาผมจะขอยกยอดไปในวันพรุ่งนี้หลักการข้อที่3ของศีลภาพที่แท้จริงก็คือว่าการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า พระวจะนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สองข้อ16ครับ1เปโตบทที่ 2: อข้อ16ท่านอาจารย์เปโตกล่าวว่าอย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำความชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้พระเจ้าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับอย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างที่จะทำความชั่ว แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับในพระคัมภีร์ข้อนี้มีความหมายสำคัญอยู่สองประการด้วยกันประการแรกก็คือว่าเราไม่สามารถเอาเสรีภาพนั้นมาเป็นเสื้อคลุมหรือเป็นฉากบังหน้าแต่ภายในมีแต่วความเห็นแก่ตัวและความชั่วร้ายเสรีภาพที่เรามีอยู่นั้นไม่ใช่เป็นแค่ป้ายโฆษณานที่ไว้โชว์เท่านั้นมันจาเป็น ต้องมีเนื้อหาหรือคุณภาพที่แท้จริงข้างในพี่น้องครับความหมายแรกนี้เป็นความหมายที่น่าสนใจมากและเป็นความหมายที่หลายครั้งชีวิตของเรานั้นก็มีอย่างนี้ครับและเมื่อฟังพระชนะของพระเจ้านั้นพี่น้องท่านใดที่รู้สึกเจ็บปวดครับนั่นแหละแสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงทํางานในชีวิตของเราแล้วเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวชีวิตของเราทั้งหลายได้พบกัน ได้มีสามัคคีทำกันได้มีอะไรหลายอย่างที่มีปฏิสัมพันธ์กันนั้นเรามีฉากบางหน้ารเราสวมหน้ากากที่จะบังหน้าตัวเองไว้ว่าให้เราดูสวยงามดูดีแต่ว่าข้างในนั้นมีแต่ความเห็นแก่ตัวความชั่วร้ายความเอาแต่ใจตัวเองการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระกัมภีตอนนี้ได้เตือนเราไว้อย่าเอาเสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้าง ที่จะทำความชั่วแต่จงดาเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้าความหมายประการที่สองครับก็คือผู้ที่รับใช้พระเจ้านั้นจะชื่นชมกับเสรีภาพที่แท้จริงคำว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ18และข้อ22นั้นหมายถึงใครและหมายความว่าอะไรในโรมบทที่6ข้อ18บแและข้อ22นั้นมีคำตอบครับโปรดฟังโรวนะของพระเจ้าเพื่อเป็นคาตอบในเช้าวันนี้เมื่อท่านพ้นจากบาป ท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็นทาสของบาปก็กลับมาเป็นทาสของพระเจ้าพี่น้องครับปั้งกำพีสองข้อนี้กล่าวกับเราอย่างชัดเจนว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องพ้นจากบาปรับเสรีภาพทําให้เกิดผลบริสุทธิ์ในชีวิตพระเจ้าของเรานั้นเที่ยงธรรมผู้ที่โปรนิบัติปรองก็ต้องเป็นคนเที่ยงธรรมด้วยในวันพรุ่งนี้ครับเราจะมาต่อกัน ว่าผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าจะต้องมีความเที่ยงธรรมอย่างไรมีความรักมีความจริงอย่างไรพรี่น้องครับในเช้าวันนี้ขอให้เราทั้งหลายที่จะติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เรามีศสรีภาพอิสระภาพที่แท้จริงเราจะเป็นคนไทยที่เป็นไทยเราจะเป็นคริสเตียนไทยที่เป็นไทยอย่างแท้จริง อาเมน